พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเจ็ดลำดับที่ห้าโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบแปดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าให้ชนะทั้งสองฝ่ายให้วันนี้เป็นวันที่สิบแปด เมื่อวานเป็นวันที่17เป็นวันลอยกระทงนะมวันเนี่ยเป็นวันลอยกระทงวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2556วันนี้เป็นวันที่18บแวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2556นหวันนี้เป็นวันสิ้นปีเป็นวันปีใหม่ของ จันทรคติคือว่าสุริยคติเนี่ยคือเขาจัดเป็นถ้าปีไทยก็วันที่13เมษาถ้าปีสากลก็วันที่หนึ่งมกราแต่ปีของพุทธศาสนาเนี่ยปีว่าปีสิ้นปีเนะี่ยคือวันลอยกระทงเนี่ยเป็นจันทรคติเดือน12เพนเนี่ยพอครบ12ปีหนึ่งมี12เดือน แปลว่าเดือนสิบสองแปลว่าจบต่อไปนี่กับเป็นขึ้นปีใหม่ของจันทรคตินับหนึ่งจันทรคตินับทางพระจันทร์แต่พวกเราวันที่หนึ่งนะคือสุรยิยคตินับทางพระอาทิตยนะ์แต่ที่นั่งอยู่ข้างๆหลวงพ่อเนะี่ย ก็เรียกอะไรไม่ใช่อบตก็เรียกสุขาบุญเทศบาลเนาะอบเทศบาลอําเภอนายุงตําบลนายุงเนาะเทศบาลตำบลนายุงตะก่อนมันเป็นอบตเนะเ<อ>าะ ย, ยกระดับขึ้นมาเป็นเทศบาลเทศบาลตนนําบลนายุงต่อก็มีนายกมาด้วยวันนี้กับทีมงานทั้งหมดมีอยู่สิี่ สิบสีบส่หรือสบห้าทีมงานขาองเราทั้งหมดมีเท่าไหร่สิบหกคนเหรอือมทีมงานสิบหกคนบรรวนองค์กรกั น, กนมีอีกทีมงานหนึ่งเข้ามาหาหลวงพ่อตำบลเดียวกันเหมือนกันนะเอแต่คราวนี้ตำบลอตำบล น, นายูงนายูอีกเหมือนกันเทศบาลนายูอีกเหมือนกันแต่แตอนนี้หลวงพ่อให้พรว่า ให้ทุกคนชนะไว้และเอาอย่างไงต่นี่ให้ทุกคนเป็นผู้ชนะนะให้เข้มแข็งนะให้ชนะพวกมาก่อนก็ให้ชนะพวกมาทีหลังก็ให้ชนะท่นี้พอชนะเนีักสองทีมันชนะเลยจะทําไงเนยจะมีที่นั่งหรือเปล่านะีนี่แหละแต่ถึงยังไงลูกหลานต้องฟังเอาไว้ หลวงพ่อจะเล่าชาดกให้ฟังหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยพูดสอนชาดกมันจําได้ง่ายแล้วก็เป็นเครื่องที่เปรียบเทียบเป็นเครื่องที่เปรียบเทียบพวกเราให้ได้ศึกษาให้ได้ฟังสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสังวัตถีท่านปาราบเกี่ยวกับนี่แหละเกี่ยวกับ การเอาชนะกันเนี่แหละเอาชนะกันในการแข่งขันพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าถ้ากลุ่มไหนเข้มแข็งกลุ่มนั้นจะเป็นฝ่ายชนะถ้ากลุ่มไหนอ่อนแอรชราใจตั้งอยู่ในความประมาทกลุ่มนั้นจะจะหาความชนะไม่ได้ในพระสงฆ์ก็ได้กราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นยังไงเรื่องความเป็นมา เรื่องนี้พระเจ้าขาดพระพุทธองค์บอกว่าสมัยหนึ่งพระเจ้ามีพระเจ้าไอแผ่นดินจำาชื่ อ, อยากๆสักหน่อยนะท่านอวดดีว่า ง, งนานเถอะพูดง่ายๆมีอวดดีแค่ว่าขาดนี่ใหญ่ที่สุดละในพื้นปฐพีในขณะนี้ทั้งพลทั้งหารทั้งพลรบทั้งประสบในกรความอุดมสมบูรณ์ ข่าไม่แพ้ไข่แต่เขาก็มีลู ก, ลกสาวมีลูกสาวอยู่สี่คนมีลูกสาวสี่คนทีนี้ก็ใส่ราชรถขึ้นไปมีมา้ามีม้าเทียมด้วยเทียมรถไปตามหัวเมืองต่างๆ เมืองเล็กเมืองน้อยเมืองใหญ่บอกว่าท้าทายนะพูดง่ายๆอ้าถ้าว่าใครจับมา้าจับรถกันลูกเสาของเขาเนี่ยคนนั้นจะต้องเจอดีถ้าหากว่าไม่เขาให้ส่งของบรรณาการมาให้ส่งของบรรณาการคล้ายๆแบบประเทศไหนที่ยอมแพ้แล้วก็เอเอเอกส่งลูกเสาวไป ในลาจรถพร้อมกับพลทหารกลุ่มใหญ่ไปและก็ส่งไปส่งไปเมืองไหนเขาก็กลัวหมดเพราะว่าเกากิตติศัพที่ประเทศเนี่ยจะจะจัดการกับเขาอยู่แล้วเขาก็ส่งเครื่องบ ร, รัญการบรรณาการให้กรีบส่งออกจากนอกเมืองไปส่งไปเพราะนี่ไปถึงเมืองน้อยเมืองหนึ่ง เมืองนั้นเป็นเมืองที่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าอัมมัดพวกนี้กับหดือไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะคล้ายๆว่าทหารใหญ่ของเขาเนี่ยทหารใหญ่ทหารใหญ่ของในเมืองนั้นน่ะแต่เป็นเมืองเล็กเขาก็ไปถามพระราชาดูพระราชาเอาไหมต้องการอัคคเมเหสีทั้งสีคนไหมเนี่ยพระเจ้าเมือง มีลขะนะมิลขะนะส่งมาเนะี่ยทางพระเจ้าแผ่นดินเลยเหรอโ อ, เอ้เราจะสู้เขาไ ว, ว้เหรออประเทศของเราน่อยเดียวเองนะ่ะ เ, เราจะสู้เขาไว้เหรอไม่ไหวก็ต้องไวนะ้งมืนเอาไหมเหมือนกันทางพระเจ้าแผ่นดินก็อยากจะได้อัคคะมเหสีอยู่แล้วใช่ไหมเอาก็เอาแล้วงั้นถ้าถ้าหากว่า พวกสูเจ้าเข้มแข็งที่จะเอาให้ได้เพราะงั้นอ้าจากนั้นเอามาดันแล้วก็ยึดเลยเงัน้นเลยเยึดราชรถคันนั้นเลยก็ เ, กเลยมอบอลูกพระเจ้าแผ่นดินเมืองมิลลขนะให้กับพระเจ้าแผ่นดินของตัวเองทั้งสี่นางเลยทนะีนี้พอสี่นางทีนี้กพระเจ้าแผ่นดินนก็ยึดเสร็จแล้วกันทาง พระเจ้าเมืองมีลขานั้นก็โอ้โหเหมือนกับเอาแสไปตีหางูจงอางอะไรวงั้นชูคอโถโหในพื้นแผ่นดินนี่จะมีใครต่อสู้กับเราอยู่หรอแนะ่ว่งั้นยังไม่รู้เรื่องของเราลนะเลยเนี่ยเมืองเนี่ยเมืองเล็กๆขนาดนี้ค่ากหย่ำทีเดียวมันก็นแตกแล้ ว, นะวงั้นทำไมมาหาเก่งฆ่าสามารถขนาดนี้วานะาันแต่นี้ก็พอท้งนี้ยึด นางทั้งสี่นางเสร็จแล้วจะที่กับอัมมาตพุ่เอกกับประกาศเล ย, ยงนั้นเอ่าเตรียมพร้อมนะพวกเรานะจะต้องซื้ศึกสงครามอย่างขนาดหนักอยนั้นอบอกประกาศให้ประเทศชาติอ่างนั้นใครใครอยู่ที่ไหนประตูบ้านเดือนของใครเตรียมพร้อมทุกอย่างข้าวน้ำโภชนาะอาหารเก็บให้เป็นที่เป็นทางให้เสร็จเรียบร้อยต้องสุกต้องศึก สู้ก็ศึกแน่คาวแี่ว่างั้น เ, เพราะมันมันหาเรื่องใส่เขาแล้วได้มาหาเรื่องใส่เขามันก็ต้องมีศึกหรือสิศักสักศึกเข้าบ้านออกมาพูดง่ายๆแต่นี้อํามาตย์พวกนี้ก็เตรียมพร้อมแหละนะนะพอเตรียมพร้อมเสร็จแล้วก็พระเจ้าแผ่นดินทางน้องก็โอ้มันต้องมีเก่งนะมันต้องมีดีนะ่ะมันจึงยึดจึงยึดราชรถของลูกของเรานะมันจึงกล้าขนาดนี้มันต้องมีดี ถ้ามันไม่เก่งไม่ดีมันก็คงจะไม่กล้าแล้วออันนี้เขาก็อย่างเชิงอีกเหมือนกันเพราะมันมันกล้าแล้วเกิดเหมือนกันประเทศเล็กๆเดจะไปมีความสามารถถึงขนาดนั้นน่ะมันบ้าบ้องยังไงเนี่ยเพราะมันประเทศของเจ้าของของอัคคะเมห์สีน่ะมันเป็นประเทศที่ใหญ่มากเลยพร้อมที่จะยกพลไปเหยียบเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นประเทศเล็กๆนี พลนสุก็เลยทางนี้นก็ตั้งฐานทัพขึ้นมาอีกเหมือนกันทางเมืองเล็กนี่ก็ตั้งฐานทับอีกเหมือนกันทางโน้นก็ตั้งฐานทับอีกเหมือนกั น, น, น, กนอพล น, นสุก็ยกมาไปเชิญหน้ากันเลยนะเอพอประเชิญหน้ากันเข้าไปทีเนี่ยทางพระเจ้าะแผ่นดินทางเมืองมิละขะเนี่ยก็เอ้มีลือสีตาไฟอยู่ในภูเขาเนะี่ย เป็นที่เคารพของพวกเราหรือสีตาไฟเหมือนกันหรือสีตาทิพเหมือนกันเราควรจะเข้าไปถามฤาษีตาทิพดูว่าการสู้ศึกครั้งคราวนี้แหะเราจะชนะไหมเพราะว่าการจะไปสู้ศึกทีไรฤาษีตาทิพท่านจะบอกว่าชนะไม่ชนะเพราะมันเป็นที่ยอมรับของคนในของเขตแถบแถบนั้นทั้งหมดเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง ทนีกลือีนี่ก็พวกพระเจ้าแผ่นดินเมืองมิลขคะก็เข้าไปก่อนเขาไปถามลือีท่านฤือีครับพวกผมจะสู้ศึกกับคราวนี้นะ่ะจะชนะไหมประรือศีก็บอกอแต่ยานทัศนะของเราเนี่ยก็ยังไม่เพียงพอเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะถามถามผู้เหนือเก่าผู้เหนือเราก่อนนะต้องถามอีกรอบสองอีกทีก่อน พอรอบสองอีกแล้วเราจ ะ, าจะให้คําตอบนะอีกสักสองวันให้มารับคําตอบทางพระเจ้าแผ่นดินเลยครับพอตกกลางคืนมาพระอินทร์ลงมาพระอินทร์ลงมามาเยี่ยมฤาษีท่นีลยมาหาฤาษีตามปกติมาหาทุกทุกคืนวะพระอินทร์ก็เลยบอกว่าฤาษีก็ถามว่าท่านพระอินทร์เนี่แหละพระเจ้าแผ่นดินมาถาม เมื่อวานในบอกว่าการสู้ศึกสงครามในคราวนี้นี่ยฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะพระเอินก็บอกว่าอืมพวกฝ่ายพระเจ้ามิลขะเนี่ยนะต้องชนะแน่เพราะว่าเขาเป็นประเทศใหญ่อขุนพลอะไรเขาครบพร้อมหมดทุกอย่างอันนั้นเพียงแต่จี๊ดเดียวหน่อยเดียวนะีอมันจะสู้คนใหญ่ได้ยังไงฝ่ายที่ต้องชนะ พอวันนุ่งขึ้นมาพระเจ้ามรลขะก็เข้าไปถามถามลือศีตาทิพแต์ตาศีตาทิพ์ก็บอกอืพอพระองค์ต้องชนะแน่เพราะว่าได้ถามเนียเทวดาแล้วตอนนี้ก็โอ้ยสบายพวกเราเไม่ต้องเตรียมอะไรทั้งหมดนอนไปก็ชนะอกันนะจะไปหากลัวมันทาไมประเทศเล็กๆขนาดนั้น มันเลยมาก็มามากินเลี้ยงกันสนุกสนานเปิดเพลินเฮฮาไม่ได้เตรียมพร้อมมาหลยเลยวย่างั้นละพอเหตุอะไรเพราะว่ายังไงก็ถึงต้องชนะเะพราอฤาษีตาทิพบอกแล้วนี่แล้วก็ถามเทวดาอีกต่างหากเทวดาก็ยืนยันอีกสองพลังลอลไว่างั้นเลยทางฤาษีตาทิพด้วยทั้งเทวดาด้วยยืนยันนะจากนั้นก็พวกนี่ก็ชลาใจเฉยตอนนี้พวกทาหาร เมืองเล็กๆหนึ่งจะไหนเขาก็เข้าไปถามอีกเข้าไปถามลือศีตาทิพย์อีกเหมือนกันตรงนั้นเพราะเป็นที่เคารพของทั้งสองฝ่ายนะท่านลือศีครับอพวกผมจะชนะไหมสู้ศึกคราวนี้ทางพระลือีก็บอกว่าอืมเดี๋ยวๆเราจะถามเทวดาดูก่อนนะเดี๋ยววันรุ่งขึ้นค่อยมามาหาอีกจากนั้นก็พวกนี้ก็ค่อย คอยเทวดาโบอกจะชนะทั้งสองข้างได้ยังไงใช่ไหมเมื่อวานนึงบอกว่าชนะแล้วฝ่ายนี้จะชนะอีกจะชนะได้ยังไงเทวดาโอแพ้พระราชาเนี่ยแพ้เพราะมันเป็นประเทศเล็กอเสียเปรียกเขาทุกอย่างหลังกอบพ้นพักก็น้อยอีกต่างหากออะไรก็น้อยทุกอย่างเพราะนั้นต้องแพ้แต่เนี้ พลลุกขึ้นมาพกอมมาดได้เกิดเข้าไปถามหรือศีตาธิพอีกทิทพย์แต่ที่บอโอยแพ้เทวดาบอกว่าแพ้แล้วแพ้เนี่ยมีอะไรเป็นสั ญ, ญลักษณ์ไหมการที่จะบอกแพ้เนี่ยเออในในขณะที่กองพลต่อ ก, กองพลประชันประเชิญหน้ากันเนี่ยกองทัพต่อกองทัพประเชิญหน้ากันเนี่ย จะมีวัว ว, ววิ่งออกนาถ้าหาว่าเป็นวัวขาวนะ่ผู้นั้นจะเป็นฝ่ายชนะถ้าเป็นวัวดําฝ่ายนั้นเป็นฝ่ายแพ้ะแตะคอยดูนะของพวกคุณจะเป็นวัวดําถ้าฝ่ายเขาเนะ่เป็นวัวขาวแต่ไม่มีใครเห็นนะนอกจากแม่ทัพใหญ่ท่านเองจึงจะเห็นวัวสองตัวชนกันแต่ลูกน้องบริวารไม่มีเห็นไม่มีใครเห็น เห็นแต่ในในแม่ทัพใหญ่เท่านั้นะเห็นวัวสองตัวชนกันในระหว่างมันจะสู้กันในระห ว, า ว, วะ่างนันแหละแต่ตอนนี้ก็พออมมรดเมืองเล็กนออกมาก็ถอยออกมาก็ตัวเองเป็นฝ่ายแพ้แล้วใช่ไหมอพอฤาษีตาทิพย์บอกแล้วเนี่ยออกมาแล้วก็รวบรวมทหารหารทางหลายแหล่เนี่ย ทหารหลานทั้งหลายแหละเป็นหลายพันคนพันสองพันคนมาประเทศเล็กใช่ไหมละ่ะทหารพวกเราต้องเข้มแข็งนะจากนั้นกั อ, อทหารก็ยกมือใช่เข้มแข็งสู้อย่างสุดๆเอาหัวถวายพระราชาอย่านั้นจากนั้นเรายังไม่เชื่อในพลทหารใหญ่นะไปขึ้นไปบนเขา พอไปขึ้นไปบนเขามันมีหน้าผาชันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมหน้าผาชั้าหน้ทาท่านี้ก็เป็นลานหินกว้างทหารเตรียมพร้อมเอา้าถ้าว่าพวกเราพร้อมที่จะถวายหัวกับพระราชาให้พวกเธอทั้งหลายโดดเหียวเดี๋ยวนี้ทั้งทั้งนายพลทหารทหารทั้งหลายแหละถือหอก วิ่งกูเข้าไปจะกระโดดเหวให้ดูเลยว่างั้นะีความสามารถขนาดไหนเอความแก่งขนาดไหนว่างนะถวายหวัวต่อพระราชาเลยกระโดดเหวให้ดูเลยพอกระโดดใกล้ถึงเหวนะอมายดยศเอเอาไว้ก่อนอันนี้เราบอกเพื่อเพียงความสามารถทัวเองถ้า พ, พวกท่านทั้งหลายต้องถวายหัว ก, กับพระราชา ถ้าว่าโดดเยวอย่างนี้แปลว่าโดดแบบโง่ไม่ได้เนี่ยเราเพียงแต่อยากจะรู้กำลังใจเท่านั้นเองว่าพวกท่านมีความสามารถสู้ขนาดไหนเสียสละขนาดไหนเอาสู้สู้ไหมสู้เอากับพอกับเสร็จแล้วก็ทหารใหญ่นะบอกว่านี่นะทหารในเมื่อเราเข้าไปเชิญหน้ากันอ่ะเมื่อเข้าไปเชิญหน้ากันทั้งสองกองทัพวัวของเราเป็นสีดำวัวของเขาเป็นสีขาว แต่ไม่มีใครเห็นนอกจากเราท่านเองกับทางฝ่ายเขาเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นวัวมาชนกันเนี่ยเราเองนะ่ยเราจะถือหอกลงจากหลังมา้าหลังช้างนะวิ่งไปฆ่าแทงลงตรงไหนให้สู้เจ้าแทงลงตรงนั้นนะเอพอแทงเสร็จแล้วให้สู้เจ้าประกาศพร้อมกันกูชนะแล้วที่พูดอย่างนั้นนะท่านเอทาหารนายพลใหญ่ท่านะบอกไพ่พล ตำรวจกนะ็บอกทหารของตัวเองเหมือนกนพอนี่โก็เลยพอประชิญหน้ากันจริงๆริงเยเนอะพอนัดก็ไปกันทั้งช้างทั้งมา้าท่านมาก็อเอามาประชนกันเลยตอนนะี้พอชนก็นวัวตอนนั้ น, น่ะงวัวขาวกัวัวดำมันวิ่งออกหน้าจริงๆริเลยนะอย่างดืสีบอกดังดืสีตาทิพย์บอกพอวิ่งออกไปทอนี้ก็อมมาใดใหญ่ทีนี่ก็โดดลงจากหลังช้างตรงนะั พอโดนลงช้างเลยก็ให้ค น, ค, นคนอื่นขี่ช้างแท น, นตัวเองก็ถือหอาหอกอหอกสามง่ามเนี่ยกันโดดก็ไปแทงไองไปแทงวัวขาวตัว น, นั้นอ่ะพอแทงวัวขา ว, ล, วลูกน้องเป็นพันใช่ไหมกูเข้าไปช่วยใช่ไหมพอกูก็ไปช่วยก็ไปแทงตรงนั้นอ่ะแต่งที่ที่ทนายพลแทงไว้น่ะแต่พวกนี้ไม่เห็นนะแต่นายพลเห็นเหมือนกันอ่ะ ในพลใหญ่เห็นพอเห็ น, นคนเป็นพันตะโกนว่ะเนี่ยพอตะโกนว่าโอ้ชนะแล้วชนะแล้วพวกนั้นขวัญกำลังใจเสียหมดเลยจะได้พวกฝ่ายตรงข้ามเนะ่เอ๊เขาฆ่าในพลตายหรือเปล่าทีนี้ไม่มีใครเห็นใครใช่ไหมล่ะมันตลบครอบทวนไปหมดเขาฆ่าเขาฆ่าขุนพลหรือเปล่าเนี่ยมะป้อน้สก่เลย สายสางกับทางส้างทางม้เหยียบกันอีดึงตึงนางมาลังต่างหนึ่งแต่กระจุยไปหมดรีบเข้าไปในเมืองรีบปิดประตูอีต่างหากโอ้อผลี่สุดพวกนี้ก็เลยเขนทั้งชุดโทรอปกรณ์สิ่งของอะไรอะไรต่อมีอะไรขนแบบไม่หวัดไม่ไหวแต่นี่ชนะเอา ง, งั้นเถอพอชนะตอนี้ทางน้นก็ปิดประตูเมืองกลัวพวกนี้จะเข้าไป ไล่เขาไปอีกเนี่ยไงทางช้างทางมา้าท้งคนน่ยตายเป็นบือไปเลยเนี่เอเพราะอํามาจเมืองเล็กหนึ่ชนะเหมือนกันนะแต่นี้พระเจ้าเป็นดินอยู่เมืองอมีลลนะ์คาเนีเอยลือศีนี่โกหกเป็นอยู่หรือลืีตาทิพย์เนี่ยท่านเป็นผู้มีสินทแท้ๆทําไมว่าเราเป็นผู้ชนะทําไมจึงเป็นผู้แพ้ได้อพอ เงียบเงียบได้กันก็เลยยกพลไปอีกไปไอ้ใครเขาว่าเออเอาผลทหารนั้นไปเข้าไปไปถามฤาษีอีกท่านฤาษีท่านทําไมโกหกพวกข้าพเจา้าว่าพวกข้าพเจ้าจะเป็นฝ่ายชนะทําไมถึงเป็นฝ่ายแพ้ได้เพราะเหตุอะไรท่านโกหกเป็นอยู่หรอทางฤาษีนี่ก็จ่อยเหมือนกันแล้วว่างั้นเถอะ อาตมาเองก็ไม่รู้จะว่ายังไงมหาบุพิตรเดี๋ยวอาตมาจะถามเทวดาก่อนเทวดามาสะก่อนเดี๋ยวอาตมาจะถามดูเทวดาจะมาคืนนีนะเออ่เดี๋ยวจะถามดูพระอินทร์ดูเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะให้คาตอบรนะักแต่นี้ก็ตอนกลางคืนมาเทวดาก็มาบ่เนี่ยพระอินทร์มาหรือสีตาทิพย์ไปเลยถา ม, มาท่านเทวดา พระท่านพระอินทเทวดาทด้ยังโกหกเป็นอยู่หรือท่านว่าท่านว่าจะให้พระเจ้าพระเจ้ากะลิงขราดนะจะเป็นฝ่ายชนะนะพระเจ้ากลิงคนะ่าเนี่ยเป็นฝ่ายชนะนะแต่ทำไมาเป็นฝ่ายแพ้เทวดาในโกหกเป็นอยู่หรอเทวดาบอกว่าพระอินทร์บอกว่าเทวดาไม่มีการโกหกแต่ว่าเห็นไหมนะพระเจ้า มิงคละนะ่ะเป็นผู้ประมาทคนประมาทเหมือนคนตายแล้วเหมือนกับหามคนตายไปสู้กับคนเป็นจะไปชนะเขาได้อย่างไอพอตัวเองว่าตัวเองจะชนะดันนั้นไม่ได้เตรียมพร้อมอะเลยเลยไม่ได้เตรียมพร้อมไม่ได้ไข่คูประตูหอรบพลขหงทหารอะไรไม่ได้เตรียมพร้อมเลย มีแต่คิดว่าจะชนะอย่างเดียวมันจะชนะได้ยังไงคนทั้งหลายปราดทั้งหลายเทวดาทั้งหลายก็ช่วยไม่ได้ไอ้ช่วยที่คนประมาทแล้วนะคนที่จะช่วยได้คือคือคนช่วยที่ว่าต้องเป็นผู้เข้มแข็งมันจึงจะชนะได้แต่ถามว่าคนที่ประมาทแล้วจะชนะเขาได้อย่างไรเทวดาก็ช่วยไม่ได้ เอาเถอะอย่างคนคนเราเนี่ยคนนี้แหละโหพวกโหนทำนายทายทักว่ า, าจะเป็นผู้ชนะแต่ทว่าเขาเป็นผู้อ่อนแอเขาไม่สู้คนนั้นจะเป็นผู้ชนะไม่ได้แต่ถ้าถึงจะใครก็ตามาคนนี้เป็นคลแพ้แต่เขาเป็นผู้เข้มแข็งเป็นผู้ทรหรดอดทนสู้คนคนนั้น เทวดามไม่สามารถที่จะทำนายทายทักเขาได้ว่าจะเป็นผู้แพ้จะขอจะต้องเป็นผู้ชนะถ้าเขาเป็นผู้เข้มแข็งนี่แหละท่านก็บอกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะเป็นใครก็ตามจะเป็นนักพจนักบวชอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้าบวชเข้ามาแล้วเป็นผู้อ่อนแอปวกเปียกไม่สู้ ถึงจะอยู่ในสถานที่ใดก็ตามเป็นผู้แพ้ตลอดแต่ถ้าว่าเป็นผู้เข้มแข็งเป็นผู้ไข้ควรทบทวนการกลองไตรตรองเหตุและผลเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่ด้วยความไม่ประมาททุกทุกอริยาบทพร้อมถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคนนั้นจะเป็นผู้ชนะได้อีกสักวันหนึ่งไม่ต้องสงสัยนี้ก็เหมือนกันพวกเราถึงจะเป็นฝ่ายไหนก็ตาม ถ้าว่าเป็นผู้ตรวจตราดูพลพักของตนเองตรงไหนที่มันขาดเหลือขาดตกบกพร่องมันก็ต้องเอาชนะได้แต่ใจชนะทั้งสองฝ่ายมันกคงเป็นไปไม่ได้ทั้งเมืองคลรินคาก็ชนะทั้งเมืองเล็กก็ชนะมันคงจะเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้เออมันต้องฝ่ายหนึ่งแพ้ก็ต้องฝ่ายหนึ่งก็ต้องเป็นฝ่ายชนะนะเป็นของธรรมดาโลกเนี่ยชนะกับแพ้มังอยู่คนละคนละข้างกันฮะเพราะนั้น พวกลูกหลานทั้งลายนะที่มาหาหลวงพ่อหลวงพ่อให้กําลังใจทั้งสองฝ่ายทั้งทุกหมู่ทุกเหล่าให้เป็นผูกเข้มแข็งแต่ทึ้งยังไงทึงจะเป็นฝ่ายแพ้ฝ่ายชนะพวกเราก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละแหรรักสามัคคีกันเอาไว้อย่าไปเบียดเบียนกันอย่าไป a b u s พยาบาทอาฆาตกันเพราะว่าฝ่ายแพ้ก็ดีฝ่ายชนะก็ดีก็เป็นพี่น้องประชาชนของพวกเราเป็นผู้ให้การสนับสนุนเป็นผู้ให้การ ไว้วางใจคนนั่นก็พัฒนาไปขาานี้ข้าวหน้าข้าวหน้าขา้ า, ขาวต่อไปเราก็ต้องนึกนึกถึงย้อนบา ร, รมีของเรานีเออเราคงจะไม่เคยเป็นสร้างสมปรบีมามม่งในอดีตชาติแต่ต่อไปนี้ข้าเพาเจ้าจะฝึกเป็นหัวหน้าคนเวลาไปที่ไหนก็เอาชักชวนคนทําบุญทําทาน เป็นหัวหน้าคนเออเอาทำนั้นทำนี้ถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้ามนก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยเรื่อยะเป็นหัวหน้าคนไ ด, ได้ถ้าเราไม่เคยเป็นหัวหน้าคนเฉลยเน่ยไม่ไ ด, ได้การเป็นหัวหน้าไม่ใช่ธรรมดาเพรเนะนนการเป็นหัวหน้าคนเมื่อต้องฝึกต้องมีบุญบา ร, รมีพอสมควรบุญหนักสักใหญ่พอสมควรเเพราะนั้นเขาเนี่ยเราจะเป็นหัวหน้าเขาเ่เราก็สั่งสมบา ร, รมีไป ถ้าเราไม่ได้ก็แสดงว่าเออเราคงไม่มีบา ร, รมีมั้งฮะต้องคิดอย่างนั้นนะต่อนนี้ไปรลบพอในตะอนนี้โอ้หลวงพ่อพูดชาดกให้ฟังเจ้ยยืดยาวเลย ว, วันนี้นะ